จะไม่กล้าจะไม่พูดถึงอตอนปลายทางจบเลยแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเราจะทำยังไงจะทำให้พวกเราท่านทั้งหลายงงงงล้วก็ไม่รู้จะเดินยังไงเพรา ะ, ะนั้นหลวงพ่อจะพยายามถ้าเป็นฆรัวาสญาจโจมก็ืออเอาพวกเราให้มีความให้มีความพร้อมเพียงสมัคชีให้รู้จักสถานะของตนเองเราเป็นฆราวาส เราเป็นใครเราเป็นพ่อเป็นแม่เราเป็นลูกอา่าเราการการอยู่ด้วยกันการวางตัวในความพร้อมเพียงสมัคคีในการอยู่เป็นอยู่อา่าแล้วก็เรื่องอธิบายเรื่องสินสินห้าสำหรับสินคารวาัตพวกเราควรปฏิบัติตนอย่างไรในสินห้าเน้นหนักเรื่องสินห้าจากนั้นก็เรื่องอาทาน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 อยากจะนะอยากจะภาวนาอย่างนู้นอย่างที่เราต้องการเพ่งอย่างนู้นกำหนดอย่างนี้เพ่งกระสินอย่างนู้นอภิญิหารอย่างนี้มันมีมากที่พวกเราที่พวกเราได้ยินได้ฟังและเพะ้อเผลอต่อไปมันเป็นบ้าขึ้นมาเลยทีนีเป็นบ้าเป็นบอขึ้นมามันเป็นยังไงจะว่าปฏิบัติตามแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์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 ไม่มีใครเก็บซากศพ ข, ของเราเราก็จะเป็นอย่างนี้นะนอนกับพื้นดิน ม, ม, งงมีแมลงวงมีมแมมีแมลงวันมีหมามีสัตว์สาลาสิงมาแทะมากัดเน่าเปื่อยลงไปสู่แผ่นดินอย่างพวกเราเห็นสินามิอย่างนั้นอ่ะถ้าว่าคนไม่คนไม่ไปเก็บ่ะคนตายเป็นเป็นพันเป็นเบืออย่างงั้นต่อไปเป็นไงมันก็คงจะเน่าจะเปื่อยลงไปสู่ดินนะ้ำมิแต่เห็นโครงกระดูกทิ้งเกลือนไปทั้งหมด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 ให้ถอยมากำหนดตัอให้ตั้งสติใหม่อย่าให้มันเข้าไปใ น, ในอิรอบเก่าถ้ามันเข้าไปอิรอบนั้นน่ะต่อไปมันก็จะเข้าไปในอิรอบนั้นอีกอย่างเก่านั่นะมันก็ไม่ไม่มีที่ไปที่มาเพราะในสุกนั่งกี่ร้อยกี่พันครั้งกับเป็นอย่างเก่าเพราะนั้นจิตประเภทนั้นเฮอนั่งสมาธิหัวต่อนะต้องระวังจุดนั้นอีกเหมือนกันแต่ถ้าว่าเรานั่ง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 ถ้ามีปัญหาอยากจะรู้ถามนะก็ถามได้แต่ถามไม่จริงนะให้ปฏิบัติดูก่อนนะให้ปฏิบัติดูซะก่อนมีอะไรสงสัยยังไงกนะ็คอยมาถามหลวงพอ่อหลวงพ่อก็จะให้คำแนะนาถ้าหลวงพ่อรู้นะแต่ก่อนหลวงพ่อบอกเออถ้าลูกหลานผู้ใดอยากจะรู้อัดรู้ทำถ้าหลวงพ่อตอบไม่ได้ออจะพาไปหลวงตาหลวงพ่อกัน